จเจริญพรท่านผู้มีเจตเมตตากรุณาใจบุญใจกุศลทุกทุกท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่20กันยายนพุทธศักราช2552เป็นวันที่ท่านทั้งหลายมีเวลาว่า จากภารกิจการงานต่างๆจึงได้ใช้เวลาว่าง น, นี้ให้เกิดคุณเกิดประโยชน์อย่างสูงสุดด้วยการมาบำเผ็ญมาประพฤติมาปฏิบัติมาศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เป็นคำสอนที่มีคุณค่า อย่างยิ่งมีคุณค่ามากกว่าคำสอนทั้งหลายในโลกนี้เพราะไม่มีคาสอนของใครในโลกนี้ที่จะสามารถยังประโยชน์ให้แก่ชีวิตจิตใจได้อย่างสูงสุดเท่ากับคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะคำสอนของพระพุทธเจ้าจะทำให้ ผู้ศึกษาและปฏิบัติตามได้พบกับความสุขที่เลิศที่สุดเป็นความสุขที่ถาวรเป็นความสุขที่ไม่มีวันเสื่อมคลายเป็นความสุขที่ไม่มีความทุกข์เจือปนอยู่ส่วนคำสอนอื่นๆนั้นจะพาให้เราได้รับความสุขเหมือนกัน แต่จะเป็นความสุขแบบไม่จรรงถาวรเป็นความสุขที่มีวันหมดไปเป็นความสุขที่มีความทุกข์เจือปนมาอยู่ด้วย mm hmm. เช่นความสุขที่พวกเราทั้งหลายได้รับกันอยู่ในขณะนี้เป็นความสุขที่มีความทุกข์ผสมอยู่บางวันเราก็สุขบางวันเราก็ทุกข์ทั้งทั้งที่เราก็ พยายามหาแต่ความสุขอย่างเดียวแต่มักจะได้ความทุกข์ติดมาด้วยเสมอเพราะความสุขต่างๆที่ได้จากสิ่งต่างๆในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นวัตถุหรือเป็นบุคคลล้วนมีความทุกข์ติดตามมาด้วยเป็นเหมือนเงาตามตัวเพราะสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้ อยู่ภายใต้กฎของอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นเองคำว่าอนิจจังก็แปลว่าไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่จีรังถาวรไม่คงเส้นคงวามีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลามีการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปเมื่อมันเป็นอย่างนี้มันย่อมสร้างความทุกข์ให้แก่ผู้ ที่ไปยึดติดกับสิ่งที่เป็นอนิจจังเช่นไปยึดติดกับคนนั้นคนนี้พอเขาเปลี่ยนไปเราก็เสียอกเสียใจพอเขาจากเราไปเราก็เศร้าโศงเสียใจเพราะว่าเราไปคิดว่าเขาจะให้ความสุขกับเราซึ่งก็ความสุขที่เราได้รับจากเขา ก็มีอยู่แต่มีความทุกข์แถมมาด้วยความทุกข์ที่เกิดจากความหวงความทุกข์ที่จะเกิดจากความหวงความทุกข์ที่เกิด จ, จากความเสียดายเวลาที่ต้องสูญเสียเขาไป <c oughs> นี่เป็นตัวอย่างอย่างหนึ่งแต่เราสามารถใช้กับทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีอยู่ หรือที่เราสแสวงหาอยู่ได้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นลาบยศสรรเสริญรู้สุกทางตาหูจมูกกลิ้นกายทางรูปทางเสียงทางกลิ่นทางรสทางผธ พ, พะต่างๆรวนอยู่ในสภาพเดียวกันทั้งนั้นคือไม่เที่ยงแท้แน่นอนแล้วก็ ไม่ได้อยู่กับเราไปตลอดไม่ได้เป็นสมบัติที่แท้จริงของเราแต่พวกเราี้มีความมืดบอดคืออวิชชาความไม่รู้ความจริงของธรรมชาติของสิ่งเหล่านี้พวกเราจึงหลงกันคิดว่าจะให้ความสุขกับเราแต่เรามองไม่เห็นความทุกข์ที่มีความ รุนแรงมากกว่าความสุขที่เราได้รับจากสิ่งเหล่านี้และเรามองไม่เห็นความสุขที่แท้จริงความสุขที่ปราศจากความทุกข์ mm. นี่คือปัญหาของพวกเรามีอยู่สองประเด็นด้วยกันคือ1ไม่เห็นความทุกข์ในสิ่งที่เราคิดว่าให้ความสุขกับเรา 2. ไม่เห็นความสุขที่แท้จริง ที่ไม่มีความทุกข์อยู่เลยไม่มีความทุกข์เจือปนหรือผสมมาด้วยเลยเ <c oughs> มื่อเป็นแบบนี้เราจึงวิ่งเข้าหาความทุกข์อยู่เสมอเพราะเราต้องวิ่งเข้าหาความสุขที่เกิดจากการได้ลาบได้ยศได้สรรเสริญได้เสพได้สัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆที่เป็นที่ ชอบ อ, อกชอบใจอย่างวันวันหนึ่งนี้เราก็ออกไปหารูปเสียงกลิ่นรสอยู่ตลอดเวลาไปหาอาหารชนิดต่างๆมารับประทานหาภาพต่างๆมาดูไม่ว่าจะเป็นภาพที่ถ่ายมาหรือภาพที่ส่งมาตามตามตามวิทยุโทรทัศน์หรือภาพที่อยู่ตามโรงภาพยนตร์ หรือไปตามสถานที่ต่างๆที่เราไม่เคยไปเหล่านี้เรียกว่าเป็นการแสวงหาความสุขทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายแต่เมื่อได้สัมผัสและได้รับความสุขนั้นแล้วความสุขนั้นก็จะหายไปเมื่อเรากลับมาบ้านเราก็จะรู้สึกเหงาว่าเวีเหมือนเดิมเราก็อยากเจ้จา ออกไปหาไปดูสิ่งใหม่ๆอีกน่าจะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆถ้าเราไม่ได้หยุดการสแสวงหาความสุขแบบนี้แล้วสแสวงหาความสุขที่แท้จริงถ้าเราไม่ได้มีพระพุทธเจ้ามาตัดสรู้แล้วมาประกาศพระธรรมคำสอนให้แก่ พวกเราพวกเราก็จะไม่มีวันที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ที่ติดมากับความสุขที่พวกเราสแสวงหากันอยู่เราก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนับไม่ถ้วนในภพชาติต่างๆเพราะหลังจากที่ร่างกายนี้แตกสลายดับไปแล้วใจของเราที่ยังมีความอยากที่จะสแสวงหาความสุขต่างๆ ก็จะไปไ ข, ขว่คว้าหาร่างกายอันใหม่มาเป็นเครื่องมือต่อไปทีนี้เราจะได้ร่างใหม่ที่ดีกว่าเก่าหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับการกระทำของเราในปัจจุบันนี้ถ้าเราทำบุญทำกุศลไม่ทำบาปทำกรรมยามที่เราตายไปร่างกายตายไป ใจของเราที่ไม่ตายที่ยังมีความอยากก็จะไปได้ร่างใหม่ร่างที่มีอยู่สองแบบด้วยกันร่างที่เป็นวัตถุเช่นร่างกายของพวกเราและร่างที่ไม่ใช่เป็นวัตถุคือกายทิพย์กายทิพย์ก็หมายถึงใจนี้แหละที่มีบุญมีกุศลได้สร้างขึ้นมาให้แก่ใจ ให้ได้เป็นเทพเป็นเทวดาตามชั้นต่างๆตามกำลังของบุญกุศลที่ได้ทำกันเอาไว้ถ้าไม่ได้ร่างกายทิพย์ก็จะได้ร่างกายอยากคือได้ร่างกายของมนุษย์ถ้าเราทำแต่บุญกุศลไม่ทำบาปทากรรมในทางตรงกันข้ามถ้าเราทำแต่บาปแต่กรรมไม่ทำบุญไม่สร้างกุศล เวลาที่ร่างกายนี้แตกดับไปเราก็จะไปได้ร่างที่ไม่น่าปรารถนาร่างกายส่วนหยาบก็คือร่างกายยาก็คือร่างของเดรัจฉานต่างๆเช่นร่างของสุนัขของแมวของของนกของปลาต่างๆเหล่านี้เป็นร่างที่ผู้ที่ทาบาปทำกรรมจะได้ไปรับเป็นรางวัล หรือถ้าทำบาปมากกว่านี้ก็จะไปได้ร่างที่ร้อนทรมานมากกว่านี้เช่นร่างของสัตว์นรกทั้งหลายของดวงจิตดวงใจที่ไปรับผลของบาปกรรมการทำบาปทำกรรมนี้ท่านแสดงไว้ว่ามีผลแตกต่างกัน ขึ้นอยู่ที่เหตุที่ทํานั้นว่าเป็นเหตุอะไรถ้าเราทําบาปเพราะเราไม่รู้เช่นคนที่เกิดมานี้เขาไม่รู้ว่ามีบาปมีกรรมมีนรกมีสวรรค์เขามีความจําเป็นต้องเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเขาถ้าเขาไปจับปลามาเพื่อมารับประทานหรือมีอาชีพประมง เป็นเครื่องอย่างชีพของเขาเขาก็คิดว่าไม่เสียหายอะไรเพราะเขาต้องรักษาชีวิตของเขาเขาต้องมีอาหารรับประทานเขาถือว่าเป็นอาชีพที่ไม่ผิดกฎหมายก็ทำได้แต่ในทางหลักของกรรมแล้วมันมีผลเสียหายทรมาต่าง ม, มาแต่อนิี้สองนี้จะไม่รุนแรงเหมือนกับ การทำบาปเพราะเกิดจากความโลภหรือเกิดจากความโกรธแค้นโกรธเถืองถ้าทำเพราะไม่รู้ทำเพราะความจำเป็นตายไปท่านบอกว่าก็าจะได้ร่างของเดรฉา <c oughs> เหมือนกับสัตว์เดรฉาที่เขาอยู่เขากัดเขากินกั น, นเราเป็นมนุษย์นี่เรามี ความสามารถมีสติปัญญาพอที่จะแยกแยะได้ว่าอะไรผิดอะไรถูกถ้าเราเพียงแต่คิดสักหน่อยเท่านั้นเองถ้าเราคิดว่าถ้าคนอื่นเขามาฆ่าเราเพื่อเอาเราไปเป็นอาหารเราจะรู้สึกอย่างไรถ้าเรารู้ว่าเราไม่อยากจะให้ผู้อื่นต้องมาฆ่าเราเพื่อเรา เพื่อเอาเราไปเป็นอาหารผู้อื่นที่เราไปฆ่าก็เขาก็จะคิดเช่นเดียวกันเขาก็ไม่อยากที่จะให้ใครมาฆ่าเขาไม่ว่าจะเป็นปลาไม่ว่าจะเป็นนกหรือเป็นเป็ดเป็นไก่เป็นสุกรเป็นวัวเป็นควายเหล่านี้เขาก็มีจิตมีใจเหมือนเรามีร่างกายเหมือนเราเพียงแต่ว่าเขาอยู่ในฐานะ ของการใช้กรรมเก่าของเขาอยู่ <Okay. S 1> ถ้าเราคิดอย่างนี้ได้เราย่อมสามารถหาวิธีอื่นในการยังชีพของเราได้เราสามารถหาอาชีพอื่นมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเราได้เราก็จะหลุดเนื้อหลีกเลี่ยงจากการที่จะได้ไปเกิดเป็นเดรัจฉานหลังจากที่เราตายไปแล้ว ส่วนผู้ผู้ที่ทำบาป ท, ทำกรรมพ่อเกิดจากความโลภมากอยากได้มากทาั้งๆที่มีพอเพียงอยู่แล้วอาหารการกินก็บริบูรณ์ปัจจัยสีก็มีพร้อมทุกอย่างแล้วแต่ยังอยากรวยมากๆอยากมีเงินมากๆอยากมีอำนาจมากๆอยากจะมีคนสรรเสริญมากๆอยากจะมีเงินไปเที่ยวตามสถานที่ ไปซื้อข้าวของฟุ่มเฟือยต่างๆมากๆก็ไปทำบาปทำกรรมถ้าเป็นเหตุที่ทำนี้เกิดจากความโลภมากนี้ตายไปท่านก็แสดงไว้ว่าจะไปเกิดเป็นเปรตเปรตนี้ก็จะมีแต่ความหิวกระหายอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะได้อะไรมากน้อยเพียงไรก็จะรู้สึกไม่พอท่านเปรบ เปลนนี้เหมือนกับผู้ที่มีปากเท่ารูเข็มแต่มีท้องเท่ากับตุ่ม ด, ดูดน้ำเข้าไปมากน้อยเพียงไลก็ไม่สามารถที่จะเติมให้เต็มตุ่มเต็มท้องได้ก็จะมีความรู้สึกหิวอยู่ตลอดเวลาถ้าเราไม่อยากที่จะต้องไปเกิดเป็นเปรนเราก็อย่าโลภให้อยู่แบบมากน้อยสันโดุ เพราะความโลภไม่ได้สร้างความอิ่มความพอให้แก่จิตใจของเรามีแต่ความพอเท่านั้นที่จะสร้างความอิ่มความพอให้กับเราได้ความไม่โลภต่างหากที่จะทำให้ใจของเราอิ่มดังนั้นเราไม่จำเป็นที่จะต้องมีลาบยศสละเสริญสุขมากเท่ากองเท่าภูเขามันไม่เกิดประโยชน์อะไรกับจิตใจ มันมีแต่จะผลักดันให้จิตใจกลายเป็นเปรตไป <c oughs> ส่วนผู้ที่ทำบาปเพราะเกิดจากความอาฆาตพยาบาทโกรธแค้นโกรธเคืองผู้อื่นมีผู้อื่นเขาทำให้เราเกิดความเสียใจทำร้ายเราทั้งทางร่างกายและจิตใจก็เป็นธรรมดาของผู้ที่ยังมีกิเลสอยู่ที่จะต้องโกรธแค้นโกรธเคืองอาฆาตพยาบาท ถ้าไปฆ่าเขาไปทำบาป ท, ทำกรรมด้วยเหตุนี้จิตก็จะกลายเป็นนรกไปจะต้องไปตกนรกจะต้องไปถูกไฟนรกเาผาผลาญอยู่ทั้งที่ในขณะที่ยังไม่ตายเพราะเวลาที่เกิดความโกรธแค้นขึ้นมาใจจะลุกเป็นไฟขึ้นมา ท, าทันทีนี่คือที่ไปของผู้ที่ทำบาปเพราะ เกิดจากความโกรธแค้นอาฆาตพยาบาร์ดังนั้นพวกเราผู้ที่มีสปิดปัญญามีความรู้ความฉลาดพอที่จะแยกแยะเรื่องบาปเรื่องบุญเรื่องคุณเรื่องโทษได้จึงไม่ควรปล่อยให้อารมณ์โลกกด็ดีอารมณ์โกรธกด็ดีหรืออารมณ์หลงกด็ดีมาฉุดลากให้เราไปทำบาปทำกรรม เพราะมันไม่คุ้มค่ากับผลที่เราจะได้ตามมาต่อไปขอให้เราใช้ความมากน้อยสันโดษหรือใช้ความอดทนอดกลั้นถ้าเราตกทุกข์ได้ยากขาดแคลนในเรื่องอาหารการกินต่างๆก็พยายามข่มใจเอาไว้อดมือ้อกินมือไปดีกว่าที่จะไปทำบาปเพราะ สิ่งที่ได้มาคือความสุขที่ได้มาจากการได้สิ่งที่เราต้องการกับภพบชาติที่ไม่น่าปรารถนาที่เราจะได้รับมานั่นมันไม่คุ้มค่ากันถ้าเราข่มใจเราด้วยขันติความอดทนด้วยธรรมะความอดกลั้นพยายามตั้งมั่นอยู่ในศีลห้า เวลาเราตายไปเราจะได้กำไรเพราะศีลห้านี้จะป้องกันไม่ให้เราต้องไปตกไปในอบายเราก็จะได้ไปเป็นเทพเป็นพรหมหรือกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วก็จะเป็นมนุษย์ที่มีรูปร่างหน้าตาที่ดีกว่าเดิมมีฐานะการเงินการทองที่ดีกว่าเดิมถ้าเราทาบุญ ควบคู่ไปด้วยคือเราไม่ทำบาปเรารักษาศีลแล้วเราก็ทำบุญให้ทานตามกำลังของเรามีมากมีน้อยเราก็ทำไปตามฐานะของเราแต่อย่าไปทำบาปเพื่อหาเงินมาทำบุญอย่างนี้ไม่คุ้มค่าเช่นคนบางคนอยากจะทำบุญแต่ไม่มีเงิน ก็เลยไปยืมเงินของผู้อื่นมาทำบุญแล้วก็ไม่มีปัญญาที่จะไปคืนเงินที่ยืมมาอย่างนี้ก็เป็นเหมือนกับเป็นการทำบาปเพราะไปโกหกหลอกลวงผู้อื่นแล้วก็ไปลักทรัพย์ของผู้อื่นมาเพื่อจะทำบุญเพราะคิดว่าเมื่อทำบุญแล้วตนจะร่ารวยก่อเก่า แล้วจะได้เอาเงินที่ร่ำรวยจากการทำบุญนี้มาใช้หนี้ที่ยืมของมาทำบุญอย่างนี้เป็นการเข้าใจผิดการทำบุญนี้ไม่ได้มีเป้าหมายให้ทำแบบนี้เป้าหมายของการทำบุญก็เพื่อให้เราลดละความยึดติดในเข้าของเงินทองที่เรามีอยู่มากเกินความจำเป็นเช่นเรามีเสื้อผ้าล้นตู้อย่างนี้ และเราไม่ได้ใส่ไม่ควรจะเก็บเอาไว้ควรจะเก็บไว้ส่วนที่เราจำเป็นต้องใช้จริงๆส่วนที่เราไม่ใช้นั้นเราเอาไปแจกจ่ายให้ผู้ที่เขาไม่มีจะดีกว่าเราจะได้ความสุขใจความสุขใจนี้แหละเป็นบุญและความสุขใจนี้แหละที่ทำใจให้เป็นเทพเป็นเทวดาขึ้นมานี่หมายนี่คือเป้าหมายของการทำบุญให้ทาน ให้ในสิ่งที่เรามีเหลือกินเหลือใช้ให้ในสิ่งที่เราไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเก็บเอาไว้ให้ไปแล้วจะทำให้เราจิตใจของเราสูงขึ้นทำให้จิตใจของเรามีความสุขมากขึ้นแล้วจะทำให้เราไม่คิดอยากที่จะทำบาปทำกรรมเพราะเมื่อเรามีจิตที่เมตตากรุณาต่อผู้อื่นอยากจะให้ผู้อื่นมีความสุข อยากจะให้เขาได้พ้นจากความทุกจากการช่วยเหลือของเราเราก็จะไม่คิดอยากที่จะทำบาป ท, ทำกรรมในเวลาที่เราต้องการสิ่งหนึ่งสิ่งใดเราจะวิเคราะห์หรือเราจะลตาควรออย่างทีท้วนรอบครอบก่อนว่าถ้าการแสวงหาในสิ่งที่เราต้องการนี้ไปา้างไปเบียดเบียนผู้อื่นเราก็จะไม่ทำ แล้วก็จะทำให้จิตใจของเรามีศีลขึ้นมาโดยปริยาตโดยที่เราไม่ต้องตั้งใจรักษาเพราะว่าใจของเราไม่มีความปรารถนาที่จะไปเบียดเบียนผู้อื่น น, นี่คืออนิสงส์ที่เกิดจากการให้ทานให้แล้วจะทำให้ใจของเรามีศีลขึ้นมาโดยธรรมโดยธรรมชาติ คือเราจะรักษาสีง่ายจะไม่รู้สึกปิดอัจใจลําบากใจใดต่างกับผู้ที่ไม่ชอบให้ฐานไม่ชอบช่วยเหลือผู้อื่นชอบแต่อย่างได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ให้กับตนเองชอบสแสวงหาสิ่งต่างๆให้กับตนเองบุคคลแบบนี้จะไม่ค่อยคำนึงถึงความรู้สึกของผู้อื่นเราจะสังเกตเห็นได้ในสังคม เวลาที่เราไปเกี่ยวข้องกับคนต่างๆคนไหนที่เขามีแต่ความอยากได้ไเขาจะไม่ค่อยสนใจกับเรื่องของคนอื่นเช่นขับรถนี้เขาก็จะไม่เข้าแถวไม่เข้าคิวเขาจะปาดซ้ายปาดขวาแซงซ้ายแซงขวาอยู่ตลอดเวลาเขาไม่เคยคิดถึงอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นไดน้แล้วก็จะไปสร้างความเดือดร้อน ให้แก่ผู้อื่นเขาจะคิดแต่ใจของเขาเท่านั้นเขาอยากจะไปให้ถึงจุดหมายปลายทางเร็วๆแต่เขาไม่มองถึงสภาพความเป็นจริงของท้องถนนว่ามันเป็นไปได้หรือเปล่าเขาไม่คิดถึงจิตใจของผู้อื่นว่าทุกคนก็อยากจะไปเร็วๆ เ, เหมือนกันแต่ถ้าไปเร็วโดยที่ไม่ปฏิบัติตามกฎจราจรแล้วอุบัติเหตุนั้นก็จะเกิดขึ้น แล้วมันก็จะทำให้ลดติดเป็นเป็นยาวไปเลยเพราะไม่สามารถไปได้นั่นเองนี่คือลักษณะของคนที่มีแต่ความโลภมากจะเป็นอย่างนี้จะหวงทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองจะมีความตนีจะไม่ชอบทำบุญให้ทางหรือถ้าทำบุญให้ทางก็จะทำบุญแบบ โลภมากนั่นเองคือทำแล้วอยากจะได้ผลตอบแทนมากๆ <c oughs> อย่างที่บางแห่งเขามีการโฆษณาชวนเชื่อกันให้ไปทำบุญแล้วจะร่ำรวยมหาศาลแต่หารู้ไหมว่าเป็นการถูกหลอกเพราะการทำบุญให้ตามตามหลักของพระพุทธศาสนาไม่ได้สอนให้โลภไม่ได้ทำเพื่อให้เกิดความโลภขึ้นมา ให้ทําเพื่อตัดความโลภเพราะถ้าเราทําด้วยจิตใจที่สะอาดบริสุทธิ์ไม่ต้องการผลตอบแทนจากผู้รับไม่ต้องการความร่ำรวยเป็นผลตอบแทนใจของเราจะมีความอิ่มมีความสุขมีความพอและจะไม่อยากได้มากเหมือนเมื่อก่อนนี้เพราะมันไม่สุขเหมือนกับการไม่อยากได้ ความอยากได้นี้มันทรมานใจแต่การไม่อยากได้นี้มันสบายใจลองสังเกตดูเวลาเราอยากได้อะไรนี้ใจของเราจะตื่นเต้นจะพะวักพะวันอยู่กับสิ่งที่เราอยากได้ถ้าเราอยากได้คนนั้นคนนี้มาเป็นคู่ครองของเราเราก็จะวุ่นวายกับการหาวิธีต่างๆเพื่อที่จะได้เขามาเป็นคู่ครองของเรา แต่ถ้าเราไม่สนใจไม่อยากได้เสอย่างเราก็ไม่ต้องมาวุ่นวายกับการหาวิธีต่างๆมาเพื่อจะได้สิ่งที่คนที่เราต้องการนี่คือเรื่องของการทาบุญให้ทานอยู่ตรงนี้อยู่ที่การตัดความโลภตัดความตเนรตัดความเสียดายเวลาที่เราสูญเสียอะไรไป เราจะไม่เดือดร้อนเหมือนกับคนที่มีความตนีมีความโลภคนที่ไม่เคยทำบุญให้ทานนี้เวลาเงินหายไปเพียงสิบบาทก็กินไม่ได้นอนไม่หลับโกรธแค้นโกรธเคืองไปหมดแต่คนที่เคยทำบุญอยู่เป็นประจาถึงแม้จะสูญเงินเป็นหมื่นเป็นแสนไปเขากลับจะรู้สึกเฉยเฉยถ้าเขาเห็นว่าเป็นเหมือนกับการทำบุญเงินที่สูญไปนี้ ถ้าใครได้ไปก็คิดเสียว่าเป็นประโยชน์กับเขาเป็นความสุขกับเขาถ้าเราคิดอย่างนี้เราก็จะมีความสุขใจเราก็คิดว่าเป็นการทําบุญไปเราก็จะไม่โกรธแค้นโกรธเคืองอาฆาตพยาบาทไม่ต้องไปทำบาป ท, ทำกรรมแล้วก็ต้องไปตกนรกใช้บาปใช้กรรมที่เกิดจากความโกรธแค้นโกรธเคืองนี้นี่คือความหมายของการให้ทานอยู่ตรงนี้ เพื่อรักษาใจของเราให้เป็นเทวดาให้เป็นเทพให้เป็นมนุษย์ให้เป็นพระอริยเจ้าพระพุทธเจ้าก็ทรงบำเพ็ญทานบารมีมาตลอดทุกภพทุกชาติจนถึงภพของชาติของพระเวชสัดนดรพระองค์ก็ทำทานอย่างเต็มที่ไม่ว่าจะจะให้เสียสละอะไรพระองค์ก็ยินดีที่เสียสะละได้หมด แม้แต่ทั้งลูกๆ ก, ก็ยอมเสียสละได้อา น, นิสงส์ของการเสียสละนี้ทำให้พระ อ, องค์ได้ไปเกิดบนสวรรค์แล้วหลังจากนั้นก็ได้กลับมาเกิดเป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะมาบำเพ็ญ <c oughs> ปฏิบัติจนได้บรรลุเป็นพออระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา้านี่คือเป้าหมายของการให้ทานไม่ได้ให้กลับมาร่ำรวย การร่ำรวยนี้มันก็เป็นเพียงชั่วคราวเท่านั้นเองเพราะชีวิตของเรามันก็ไม่อยู่ไปตลอดเรารวยได้เจ80ปีเราก็ต้องตายไปเงินทองที่เราได้มามันก็กลายเป็นของคนอื่นไปหมดแล้วถ้าเราประมาทไม่ทาทานเพิ่มขึ้นไปใหม่เวลากลับมาใหม่เราก็จะไม่ร่ารวยเหมือนเดิมกแต่การทานี้ไม่ได้เป้าหมาย สุดท้ายไม่ได้อยู่ที่ความร่ำรวยแต่ความร่ำรวยนี่เป็นเป็นผลต่อเนื่องหรือเป็นผลผลพลอยได้ที่จะเกิดขึ้นจากการให้ทานแต่เป้าหมายของขับสอ์ของพระพุทธเจ้านี้อยู่ที่มรรคผลนิพพานเท่านั้นอยู่ที่การหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ที่การหลุดพ้นจากความทุกข์ที่เกิดจากการเกิดแก่เจ็บตาย การไม่เกิดเท่านั้นที่จะไม่มีความทุกข์ตามมาถ้าตราบใดยังมีการเกิดอยู่ถึงแม้จะเกิดเป็นพรหมเป็นเทวดาเป็นมหาเศรษฐีเป็นพระเจ้าแผ่นดินก็ยังต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายมีแต่พระนิพพานนี้เท่านั้นที่ไม่มีการแก่การเจ็บการตายนี่คือเป้าหมายที่เราควรพุ่งไปตั้งไว้ในใจเราเสมอ ไม่ว่าเราจะทำบุญให้ทางจะรักษาศีลจะภาวนาขอให้เราตั้งไว้ที่พระนิพพานเป็นเป้าหมายสุดท้ายของเราแล้วเราจะไม่ผิดหวังเราจะพบกับความสุขที่ถาวรเราจะพ้นจากความทุกข์ได้อย่างถาวรอยู่ที่การประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าที่เราได้ยินได้ศึกษา ได้ฟังมาเมื่อเราได้ยินได้ฟังแล้วขอให้เรานำเอาไปค่ายควรพิจารณาแล้วจะทำให้เราเกิดศรัทธาเมื่อเรามีศรัทธาแล้วเราก็จะมีวิริยะความอุตสาหะความภาคเพียงที่จะประพฤติปฏิบัติตามแล้วเมื่อเราปฏิบัติตามแล้วผลที่เลิกที่ประเสริฐที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันต์ทั้งหลาย ได้รับก็จะเป็นผลของพวกเราเช่นเดียวกันไม่มีอะไรมาขวางกัน้นเหตุและผลนี้ได้นอกจากกิเลสหรือความหลงของเราที่จะคอยหลอกล่อเราไม่ให้ปฏิบัติเช่นหลอกล่อบอกเราว่าพระพุทธเจ้าท่านเสด็จไปนานแล้วมรรคผลนิพพานท่านเอาไปหมดแล้วไม่มีไว้สำหรับพวกเราอยู่แล้วปฏิบัติไปก็ไม่ได้ผลอะไร เหล่านี้เป็นความความเข้าใจผิดเป็นความหลงผิดที่กิเลสสร้างขึ้นมาเพอตามหลักธรรมแล้วพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่าธรรมะเป็นอากาลิโกไม่ขึ้นกับการกับเวลาไม่เสื่อมไปกับการกับเวลาไม่หมดไปกับพระพุทธเจ้าแต่อยู่ที่ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเท่านั้นผู้ใดปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ผู้นั้นย่อมเป็นผู้ที่สามารถรับผลอันยิ่งใหญ่นี้ได้อย่างแน่นอนจึงขอให้ท่านทั้งหลายจงมีความเชื่อมั่นและน้อมนำเอาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าไปปฏิบัติและประโยชน์สุขที่เลิศที่ประเสริฐก็จะเป็นผลที่ตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้